โยมลูกสาวผู้เคารพต่อพระธรรมวินัยได้กล่าวฉเฉลยว่าถ้าพิสุทั้งสองพวกนั้นไม่ได้ฟังธรรมเทศนากันนี้จะเป็นผู้ประมาทพวกที่ต้องอาบัติปราชิกไม่ยอมสละเพศไปเป็นสามเณรทำแต่บาปอากุศลเพิ่มขึ้นก็จะต้องจมลงในอบายถ่ายเดียวแต่พอฟังเทศนากันนี้แล้ว เกิดความสลดใจยอมสละเพศตั้งอยู่ในภูมิของสามเณรรักษาศีลสิบประกอบขนไวาย น, ยนิโสมนัสิการคือเจริญสมถวิปัสสนาบางพวกบรรลุเป็นพระโสดาบันบางพวกบรรลุเป็นพระสกะทาคามีบางพวกบรรลุเป็นพระอนาคามีบางพวกบังเกิดในเทวโลก พระธรรมเทศนาได้มีผลแม้แก่พิสุผู้ต้องอาบัติปาราชิกอย่างนี้ละเจ้าค่ะาาาเพราะฉะนั้นถ้าพระพิสุรูปใดต้องอาบัติปาราชิกแล้วยังขืนอยู่ในเพศพิสุก็มีหวังไปอบายแน่นอนแต่ถ้าศึกไปเป็นสัมณาเนนหรือคฤเรหัดตั้งใจรักษาศีลประพฤติธรรมก็ยังอาจบรรลุมรรคผลได้นะเจ้าค่ะ ส่วนพิสุพวกที่สองที่ไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยยังไม่ต้องอาบัติปาราชิกแต่ชอบกระทำย่ายีสิกขาบทเล็กๆน้อยๆอยากเข้าใจว่าไม่มีผลเพราะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนากันนี้นานไปก็จะต้องอาบัติสังฆาทิเศษบ้างปาราชิกบ้างตายไปก็จะพากันไปเกิดในอบายภูมิ แต่เมื่อได้ฟังพรธรธมกนนี้แล้วก็เกิดความคิดว่าพระพุทธศาสนาช่างขัดเก่าจริงหนอพวกเราไม่สามารถที่จะบำเพ็ญข้อปฏิบัตินี้ได้ตลอดชีวิตจำเราจากลาสิกขาบำเพ็ญอุบาสกธรรมก็จะพ้นทุกได้มเมื่อคิดดังนี้แล้วจึงพากันศึกไปเป็นคฤือหัดตั้งอยู่ในไตรสารณคม รักษาศีลห้าบำมเพนอุบาสกธรรมบางพวกบรรลุเป็นพระโซดาบันบางพวกก็บรรลุเป็นพระสกะทาคามีบางพวกก็บรรลุเป็นพระอนาคามีบางพวกบังเกิดในเทวโลกพระธรรมเทศนาได้มีผลแม้แก่พิสุเหล่านั้นด้วยอาการอย่างนี้แหละเจ้าค่ะ ไม่เพียงแต่พิสุเหล่านี้เท่านั้นนะเจ้าคะที่ได้รับประโยชน์จากพระสูตรที่อุปมาด้วยกองไฟใหญ่ชื่อว่าอักคิคันธูปมาสูตรนี้เพราะว่าเมื่อหมู่เทวดาผู้หวังดีต่อพระพุทธศาสนาได้ฟังพะธรมกันนี้แล้วจึงเที่ยวไปบอกแก่พิสุทั้งหลายผู้ไม่ได้ฟังเฉพาะพระภักทุกรูปเลยทีเดียว ภิกษุทั้งหลายผู้มีศรัทธาอ่อนผู้ไม่สามารถรักษาพระวินัยให้บริบูรณ์ได้ฟังแล้วคิดว่าท่านผู้เจริญการประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตในพระพุทธศาสนาทำได้ยากภิกษุ10บลูปบ้าง20ลูปบ้าง60รลูปบ้าง100รลูปบ้าง บอกลาสิขาเป็นขลือหัดไปทันทีหลวงพ่อเจ้าคะเท่าที่โยมกล่าวชี้แจงแสดงพระธรรมขององค์สมเด็จพระศาสดาแก่หลวงพ่อมาทั้งหมดก็เพื่อที่จะบอกกับหลวงพ่อว่าการบวชอุทิศชีวิตในพระพุทธศาสนานั้นถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติตามพระธธรรมวินัย ได้อย่างถูกต้องก็จะมีผลมีอานิสง์อันยิ่งใหญ่มหาศาลหาประมาณมิได้เป็นประโยชน์กับทั้งตนเองและผู้อื่นแต่ถ้าไม่สามารถประพฤติตามพระธรรมวินยัยหรือว่าไม่เอื้อเฟื้อที่จะประพฤติตามเพียงมาอยู่อาศัยเลี้ยงชีพในพระพุทธศาสนาเท่านั้นก็จะมีโทษทั้งแก่ตนเองและพระพุทธศาสนาด้วย ชื่อว่าเป็นการย่ำยีทำลายพระศาสนาเลยทีเดียวย่อมจะมีโทษอย่างอนเนกอั น, นันต์เพราะฉะนั้นโยมจึงขอกราบเรียนเพื่อให้หลวงพ่อตัดสินใจให้ดีว่าจะดำรงชีวิตอยู่อย่างไรไม่ให้มีโทษภัยกับทั้งตนเองและผู้อื่นรวมทั้งพระศาสนาด้วยหลวงตาสงบ ฟังโยมลูกสาวแสดงเหตุผลตามพระธรรมวินัยให้ได้คิดและทวงถามความคิดเห็นให้ตัดสินใจก็เกิดความคุ้มคิดในใจว่าอายุอานามของเราก็ย่างเกือบเข้าเจสิปีแล้วถ้าลาสิกขาออกไปเป็นขลือหัดก็ไม่เห็นว่าจะต้องมีอะไรดีขึ้นแม้โยมลูกสาวจะรับเลี้ยงดูแล ไม่ต้องทำกิจการงานแต่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรนั่งนั่งกินกินนอนนอนคงจะเบื่อสิ้นดีจะไปเที่ยวเตสนุกสนานก็หมดวหวเสียแล้วโอกาสที่จับศึกษาปฏิบัติธรรมก็คงจะยากถ้าอยู่ในเพศของบรรพชิตตั้งใจศึกษาหาคู่บาอาจารย์แนะนำสักหน่อย หาสถานที่วิเวกสงบจากความวุ่นวายห่างไกลจากชุมชนสักนิดอยู่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยให้ได้มากที่สุดแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุอะไรในชาตินี้อย่างน้อยมีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าไม่ไปเกิดในอบายไม่ต้องไปห่มจีวรเหล็กร้อนแดงไม่ต้องไปกืนก้อนเหล็กร้อนแดง มีแสงไฟลุกลุ่งโรดโชดช่ว ง, งก็น่าจะดีกว่าและน่าพอใจแล้วสำหรับพระพิสุผู้บวชเมื่อแก่เช่นเาราหลังจากที่ได้ฟังพระธรรมวินัยและสนทนากับโยมลูกสาวผู้มีศรัทธาจนเกิดความละอายและความเก่งกลัวต่อบาปเต็มที่แล้ว ประกอบกับศรัทธาที่จะประพฤติตามพระธรรมวินัยก็ตั้งมั่นมากขึ้นหลวงตาสงบคิดเห็นลงตัวแล้วว่าเราจะอยู่เป็นบรรพชิตอุทิศชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์จะตั้งจิตศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดจึงอธิษฐานจิตตาม ที่คิดดังนั้นแล้วกล่าวตอบโยมลูกสาวว่าอัตมาตัดสินใจไม่ลาศิกขาหรอกแต่จะตั้งใจศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เคร่งครัดที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อก่อนนี้อัตมาศึกษาตามตามเขาเพื่อเอาไปสอบเพื่อยศถาบรรดาศักดิ์จึงไม่ได้เกิดศรัทธา ที่จะปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่ได้ศึกษามาแต่นี้ไปอัตมาจะตั้งใจศึกษาเพื่อน้อมนำมาปฏิบัติให้ได้จริงเพื่อรดละเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองและเพื่อเป็นเนื้อนาบุญของทายกทายิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและเป็นการบูชาอุทิศแด่พระรัตนาตราัย อัตมาต้องขอขอบใจและอดุโมธนาโยมที่อุตส่าห์อดทนชี้แจงแสดงทําให้แก่อัตมาตจนเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติตามพระธรรมวินัยส่วนใหญ่พระที่บวชเมื่อแก่ก็ว่ายากสอนยากอย่างนี้แหละชอบอ้างว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนแต่ผู้ที่อาบน้ำร้อนมาก่อน หลายคนก็ถูกน้ำร้อนลวกมาแล้วมากมายจึงไม่ควรมีมานะถือตัวว่าถือกำเนิดเกิดมาก่อนแกกว่าหรือรู้โลกนี้มามากกว่าเพราะคนเกิดทีหลังแม้มีอายุน้อยกว่าก็มีปัญญามากกว่าคนที่เกิดก่อนและอายุมากกว่าได้ไม่ว่าจะเป็นขลือหา หรือบัรพชิตก็ตามโ ย, ยมไฉไลสาวใหญ่ย่างเข้าสู่วัยกลางคนเกิดปีติโสมนัสจนน้ำตาไหลที่สามารถชี้แจงแสดงเหตุผลจนหลวงพ่อผู้บังเกิดก้าวเข้าใจและเกิดศรัทธาที่จะรักษาภาวินัยประพฤติตามพระธรรม จึงถามหลวงตาด้วยความดีใจว่าถ้าหลวงพ่อไม่ลาสิกขาและตั้งใจจะประพฤติตามพธรรมวินยัยหลวงพ่อคิดว่าจะอยู่ที่วัดนี้ต่อไปได้หรือเปล่าเจ้าคะพระโยมเก่งว่าหากหลวงพ่อปฏิบัติตามพระวินยัยพระพิสุที่ยังไม่มีศรัทธาจะรักษาพระวินยัยคงจะไม่ชอบใจเท่าไหร่ เพราะปฏิบัติไม่เหมือนกันหลวงพ่อจะรู้สึกอึดอัดหรือเปล่าเจ้าคะหลวงตาสงบกล่าวตอบว่าอัตมาคิดว่าคงจะอยู่วัดนี้ต่อไปไม่ได้หรอกไม่อยากให้คนอื่นเป็นอกุศลและตัวอัตมาก็ไม่อยากเป็นอกุศลอีกต่อไปด้วยรู้สึกว่าอยู่ที่วัดนี้ แม้มีโอกาสได้ทำบุญก็ไม่คุ้มกับการทำบาปโยมไฉไลถามด้วยความกระตือรือร้นว่าแล้วหลวงพ่อจะไปอยู่ที่ไหนเล่าเจ้าคะจะให้โยมช่วยอะไรได้บ้างขอให้บอกโยมได้ทันทีโยมยินดีและดีใจมากที่หลวงพ่อตั้งใจจะปฏิบัติเพื่อบูชาพระรัตนตรัย โยมเองก็จะได้เป็นทายาทของพระศาสนาจริงๆเสียทีหลวงตาสงบกล่าวว่าสิ่งแวดล้อมมีส่วนสำคัญมากในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะต้องมีการระยะนมิตรมีพระพิษุกรูปหนึ่งซึ่งอัตมาเคยรู้จักตั้งแต่บวชใหม่ๆท่านปฏิบัติรักษาพระวินยัยเคร่งครัดพอสมควรขณะนี้ ท่านเป็นพระอาจารย์สอนพระอภิธรรมและวิปัสสนาอยู่ในต่างจังหวัดอัตมาจะต้องไปสอบถามที่อยู่ก่อนถ้าได้ความอย่างไรแล้วอัตมาจะแจ้งให้โยมทราบในภายหลังโยมชัยไลยิ้มรับด้วยความตื้นตันแล้วกล่าวว่าหลวงพ่อต้องการสิ่งใดหรือจะย้ายที่อยู่เมื่อไหร่ จะให้ไปส่งที่ไหนก็ส่งข่าวไปบอกด้วยนะเจ้าคะโยมจะรีบจัดการให้ทันทีวันนี้โยมขอลากลับบ้านก่อนขอกลับลาหลวงพ่อเจ้าคะ่ะหลวงตาสงบกล่าวให้ศีลให้พรแก่โยมลูกสาวหลังจากที่โยมลูกสาวกลับไปแล้วหลวงตาก็มานั่งลำดับความเป็นมาของชีวิตและเริ่มวางแผนชีวิตใหม่ ให้ตรงกับพระธรรมวินัยให้มากที่สุดซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พร้อมทั้งการฝึกกายและใจให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยจากการที่ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยก็จะต้องให้ความสนใจจะต้องเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเพราะฉะนั้นขั้นต้นที่หลวงตาสงบ จะต้องทำก่อนก็คือศึกษาภาวินัยพร้อมทั้งสแสวงหา ก, กัลยาณมิตรที่จะให้คำชี้แจงแสดงเหตุผลทั้งทางด้านภาวินัยและการปฏิบัติสมถวิปสัสสนา ต่อมาได้ข่าวว่าหลวงตาสงบได้ย้ายจากวัดที่อยู่เดิมไปเสียแล้วเพื่อความก้าวหน้าทางด้านจิตใจและคุณธรรมของตนและเพื่อป้องกันการไปสู่กําเนิดในอบายภูสักวันหนึ่งอาจจะได้พบกับหลวงตาสงบอีกถ้าท่านยังไม่ถูกมรณะห้ำหันเสียก่อนเมื่อท่านมีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้อย่างถูกต้องและหวังทำประโยชน์ให้แก่พระศาสนาโดยการอนุเคราะห์ผู้อื่นบ้างขอให้หลวงตาสงบจเจริญด้วยคุณธรรมขอให้ประสบความสำเร็จในการแสวงหาทางพ้นทุกข์และการกระทาที่สุดแห่งทุกข์ได้โดยการไม่เนิ่นช้าด้วยเทอญ สุขใดไปสุขเท่านรุภานพ้นจากแก่งกันดาลสี่ได้คือชาติชราพยาธิการมรณะทุกแห่สร้างกุศลใดให้มุ่งแมนเมืองขเน เ, งนเนเือตร เห็นหน้ากันเมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยข้ามมวยดับสูนย